มีพระพุทธดีกาตรัสบอกแก่ภาระทวาชพรามว่าดูกระภาระทวาชพรามท่านจงไปถามไม้สะเครพันธนรุโ ข, ขอันว่าไม้สะเครนั้นปฏิภาสถะจะเจรจาตอบท่านแม้คำของตถาคตก็มีท่านจงสวนาการฟังคำตถาคตเชนนี้นี่แหละเป็นคำภายหลัง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 รุขโขอาจตโนไม้หาเจตนาบ่าไม่ได้คาเดิมตรัสชะนี้คำภายหลังตรัสให้ภาระทวาชพรามไปพูดกับไม้สคร้อนนั้นตั้งปิวะจนังอันว่าคำที่ว่าไม้หาเจตนาไม่ได้นั้นสมเด็จพระสัพพันยู่เจ้าตรัสตามภาษาสัตว์โลกพูดกันก็จริงอยู่ไม้ทั้งหลายนั้นหาเจตนาไม่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 อุปมาเหมือนเรียกว่าเกวียนเข้าเปลือกนั้นอันหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรมีคารุว่านาเปรียบประดุจบุคคลกระทาทัทิให้เป็นน้ำมันเปรียงที่จริงก็เอาทัตินั้นมากระทาก่อนเป็นน้ำมันเปรียงต่อเมื่อกระทาแล้วแต่เมื่อยังกระทาไม่แล้วก็เรียกว่ากระทาน้ามันเปรียงความนี้มีอุปมาฉันใดก็ดีมหาราชะ